เรื่องพระสัพปทาสะเทระพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระสัพปทาสะเทระดังได้สดับมากุลบุตรผู้หนึ่งในนครสาวัตถีฟังธรรมเทศนาของพระศัสดาแล้วบรรพชาและอุปสมบทการต่อมาภิกษุกระสันแล้วคิดว่า ควรหาอุบายเพื่อการมรณะของตนเป็นความดีวันหนึ่งภิกษุเห็นงูแผลแม่เบี้ยขูฟ่ฟอที่โรงไฟจึงจับงูใส่หม้อใบหนึ่งปิดฝาจะเอาไปปล่อยภิกษุผู้กระสันเห็นจึงขอทำอุบายจะเอาไปทิ้งให้พลางคิดว่าเราจกให้งูนีกัดให้ตายรับหม้อแล้วนั่งอยู่ในที่แห่งหนึ่งเอามือล้วงลงในหม้อแล้วควานหา งูก็ไม่ปรารถนาจะกัดควานหาข้างน้นข้างนี้อยู่เปิดปากงูและเอานิ้วสอดเข้าไปงูก็ไม่กัดเธอเลยเธอคิดว่าไม่ใช่งูพิษเป็นงูเรือนจึงทิ้งงูแล้วไปสู่วิหารภิกษุทั้งหลายถามเธอว่าทิ้งงูแล้วหรือยังเธอกล่าวว่างูนั้นคงไม่ใช่งูพิษคงเป็นงูเรือนภิกษุทั้งหลายว่าเป็นงูพิษ แผ่แม่เบี้กขูดังฟู่ฟูจับได้โดยยากเธอกล่าวว่าผมให้มันกัดอวัยวะบ้างสอดนิ้วมือเข้าไปในปากบ้างมันก็ไม่กัดพวกภิกษุได้ฟังก็นิ่งเสียภายหลังวันหนึ่งชังกระบกถือมิดโกนไปวิหารวางมิดโกนเล่มหนึ่งไว้ที่พื้นเอาเล่มหนึ่งลงผมภิกษุทั้งหลายภิกษุกระสานนั้น จับมิดโกนเล่มที่วางไว้ที่พื้นคิดว่าจะตัดคอใครครวนถึงศีลของตนตั้งแต่การอุปสมบทเห็นศีลหมดมนทินดังดวงจันทร์ปราศจากมนทินดังดวงมณีที่ขัดดีแล้วขณะตรวจดูศีลนั้นอยู่ปีติเกิดแผ่ซ่านทั่วทางสรีระเธอข่มปีติซึ่งเป็นวิปัสนุปกิเลสได้แล้วเจริญวิปัสนา บรรลุอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายภิกษุผู้กระสันนั้นไม่ได้ตัดการขอด้วยมีโกนแต่ตัดกิเลสเสียสิ้นด้วยมีโกนคือยานเป็นวิปาาัสนาญาณอรหัตมัคคยานแล้วได้เล่าให้ภิกษุทั้งหลายได้ฟังภิกษุทั้งหลายต่างสนทนากันว่าภิกษุผู้กระสันพยากรณ์อรหัตด้วยคำไม่จริงพระศัสดาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระขี่นาศกย่อมเม่ปลงตนจากชีวิตด้วยมือตนเองภิกษุทั้งหลายงูนั้นได้เป็นทาสของภิกษุนี้ในอัตภาพที่สามจากอัตภาพนี้ก่อนมันจึงไม่อาจกัดสรีระของผู้เป็นนายของตนได้แต่นั้นมาภิกษุผู้กระสันจึงได้ชื่อว่าสัพพทาสะสัปปะแปลวะ่างูสัพพทาส แปลว่าผู้มีธาตุเป็นงูเรื่องของงูพิษไม่กัดก็ดีหรือสัตว์ ร, ร้ายอื่นๆเช่นเสือช้างเป็นต้นจะทำร้ายหรืออุปสรรคปัญหาอุปัตถวันตรายใดๆจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ดีนี้เป็นกรรมเก่าถ้าเรามีศรัทธามั่นคงในตถาคตโพธิศรัทธาในเรื่องกรร ม, มสูตรประไตปิฎกเล่มที่18ปดเราพึงไม่กลัวสัตว์ ร, ร้ายเหล่านั้น พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงไม่กลัวต่อมรณะภัยคือความตายเพราะท่านถือว่าอัตภาพเป็นภาระของหนักซึ่งวางอยู่บนศีรษะเมื่อแตกไปย่อมยินดีย่อมไม่กลัวเลยบุพกรรมของสัปปทาสะเถระในการแห่งพระกส ป, ปะสัมมาสัมพุทธเจ้าบุตรเข้ารหบับดีผู้หนึ่ง ฟังธรรมแล้วเกิดสลดใจจึงบรรผชาได้อุปสมบทแล้วเบื่อนหน่ายจึงนั่งขัดเครื่องสมณบริคานทั้งหลายซึ่งมวลทินจับให้หมดหมนลทินใกล้ที่ขอบสะแห่งหนึ่งพิจารณาใกล้ครวนถึงโทษแห่งภาวะของขารือหัดผู้ครองเรือนการต่อมาภิกษุสหายเกิดความโลภอยากได้เครื่องสมณบริขารจึงกล่าวถึงคุณของขารือหัดผู้ครองเรือน เพื่อให้ภิกษุผู้กระสันศึกเพื่อจะได้เครื่องสมณบริขาเหล่านั้นมาเป็นของตนภิกษุผู้กระสันฟังคำภิกษุสหายแล้วคิดว่าในการก่อนกล่าวโทษของภาวะขครหัดผู้ครองเรือนแต่ในบัดนี้กลับมากล่าวถึงคุณของผู้ครองเรือนอยู่เนืองเนืองรั้นรู้ว่าประะเหตุแห่งความโลภในเครื่องสมณบริขาเหล่านี้จึงกลับจิตของตนเสียใหม่ ด้วยตนเองทีเดียวก็สมณธรรมใดอันภิกษุผู้กระสันนั้นบำเพ็ญมาสองหมื่นปีครั้งนั้นสมณธรรมนั้นเกิดเป็นอุปนิสัยแห่งอรหัตของภิกษุนั้นในการบัดนี้แลพระสัสดาทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุผู้ปรารกความเพียรยกเท้าขึ้นวางบนพื้น เมื่อเท้ายังไม่ทันถึงพื้นเลยระอระหัตมรคย่อมเกิดขึ้นแท้จริงแล้วความเป็นอยู่แม้เพียงชั่วขณะของท่านผู้ปรารบความเพียรประเสริฐกว่าความเป็นอยู่สิ้นหนึ่งปีของบุคคลผู้เกียรติครานตรัสพระคาถาว่าก็ผู้ใดเกียรติครานมีความเพียรอันสามพึงเป็นอยู่หนึ่งรปีความเป็นอยู่แม้เพียงวันเดียว ของผู้ปรารบความเพียรมั่นประเสริฐกว่าชีวิตของผู้นั้นอธิบายคำว่าผู้เกียจคร้านมีความเพียรสามได้แก่บุคคลผู้ยังเวลาให้ล่วงไปด้วยวิตกสามอันได้แก่การมาวิตกนึกคิดแต่เรื่องการเรื่องหาความสุขใส่ตัวพยาบาทวิตกนึกถึงแต่เรื่องความเครียดแค้นพยาบาทวิหิงสาวิตก นึกถึงเรื่องการเบียดเบียนและเป็นผู้ไร้ความเพียรความเพียรหรือหมวดสมประทานสี่ได้แก่เพียรไม่ให้อกุศลเกิดเพียรละอกุศลที่เกิดแล้วเพียรสร้างกุศลให้เกิดขึ้นเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมโดยสรุปกล่าวคือเพียรประคับประคองรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในรูปนาม เป็นปัจจุบันขณะมีสติระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นสักแต่ว่ารู้แล้วละรู้แล้วละ